พระธรรมมเทศนาเรื่องมาตาปิตุขุณเรียบเรียงโดยมหาอิศมชัยชมพูป ร, รียนธรรมหกนักธรรมเอกอดีตเจ้าขณาจังหวัดเจียงายเสียงด้วยดอกโสกเดือนตุลาเพื่อปุยจ้ากุณปอเพงสุโรพันธ์ขอเจริญทักปังรับนัโม ตทธสาวกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสคล่อมมาติมาตาปิตาโรปุปปาจาริกญาติวุจเจเลอาหุในยาจะพุทธานัง ปัญญาอุดกัมปกาติสาธุลาตาผู้เลี้ตั้งหลายทั้งยิ่งใจหนุ่มเทาอันมั่นหนังเฝ้าฟังธรรมจูด่าจำแต่ตน ติดสืบตนตัวไปเฮาจะไข่กาวแกเฮาจะไข่กาวแกยังคุณป่อแม่สองขาตามพระพุทธตีไว้แต่ธนาไวาเป็นตาวาผมมาติมาตาพิตตาโลดังนี้เป็นต้น ว่าป่อและแม่เจ้าสองขามีคุณหนากว้างใหญ่ดังเต้าไทยมหาพมเหตุบ่ทองอุดมพ่อแม่เมตตาแผ่ปีญักมุตร์าน่อยใหญ่พร้อมด่าไว้สมือกันใจติดพันคำเจ้าใครคือลูกเ้าสายใจจำเลิญไว้ขึ้นใหญ่ อดอยู่ไกลลุมลาอดเครื่องกาลําบากอดทุกอยาางลายปากาศยามป่ามันลูกเก่าแอบเพ่งเจ้าเหนือหัวมีตนตัวลําบาก งดเว้นจากตั้งกินแม่อาจินไปหอยน้ำลายย้อยหลงคอเกราะระรอไววหันอดเยินกันขันตีของลำดีหลายหลา งดเว้นจากเสียใจกลัวสายใจลูกเตาฮ้อนใบอ่ากะยาแามไขกะตองพายก่อยย่างย้ายพายพันกัวจมควันลูกอ่อนจะดุงจะต้นอินทรี ยามโลรกามีมาต้องในแห่งห้องตอนตัวแม่เนื้อหัวเบื่อไข้ก็รีบเจอะใส้กินย้าย่้อนกลัวพุทธาลูกแม่ได้พัดแผ่เรร้นแม่กังวลคำเจ้ากลัวลูกเต้าสายตาพิรักคานาบอทวนตีนมือดวนหูตันใจแม่พันคุดจอด ถ้านิ่งรอถึงบุญขอมานุนจุยกรรมอื้อหลวงลำพยัญาขอลูกเกิดมาทวนถูกจักเป็นลูกยิงย่งใจองค์กาลายน้อยใหญ่เื้ อ, อบคบไว่ธรรมดาแม่กิททานาไฟหอยมีบอ่อโอ ย, ยหลแจ้งกันใส่หอมแป้งลูกแกว้ว เกิดมาแล้วสวัสดีพ่อแม่มีใจจืนปีติตื่นเหลือลายจักเป็นใจเจื้อป่อหรือเป็นนอทิดาตั้งสองขาพ่อแม่ ยอมหักแท่สะเบกันทุกคืนวันบ่ผาอดลำบากหนาหนาส่วนบานดานั่นเราทุกกว่าพ่อเจ้าเหลือหลายดาจักตายความนา ย้อนลูกลาจอมควันบุญมาตันง่วยไว้กิงจักได้สวัสดีงามร้ยขีมาหลอดป่อเจ้าจอดเศร้านอนแม่อาวรอยู่เฝ้า พ่อลูกเต่าเดียวดายพาอ้อมย้ายดาไวา ย, ยามลูกไอเววายนอนกาญาเปียะจุมแม่หิบอุมบัดเดียวเปลี่ยนพาเล้วบ่อจ้า ลูกหลานนอนดีคืนหลายตีไหลายเตื่อแม่บ่อเปื่อจจังใจบ่อจาใครจาจา้าถอยตาลูกน้อยยิงใจขี้เหีีวยวใจแวดข้างแม่เจ็ดล่างคัดสีเมตตามีบ่อพรหักลูกน้อยอ่อนเหลือตนตั้งสองคนบ่อแม่หักลูกนักแก่ักเบิกัน พ่อจอมพันคุ้นใหญ่บ่ได้อยู่ไกลยามวันได้ภายพันกาภากออกไปจากเกหาอมนดาแม่เจ้าเลี้ยงลูกเต่าแต้นตนย่อนเม า, าบนเสาะใสยังเงินบาไตคำขาเพื่อดำมายืนตอนแก่ลูกน้อยอ่อนเบีย้ยแป้งแ่น ง, งอยแรงหิวหอด บ่อจอดเสาซ้าย้อนปี่าไปหอยหักลูกอ่อนน้อยดีหลีคุณป่อมีหลายหลากคุณแม่หากมีหลายยามเมื่อใยลูกเต้าห้อนม่เอากา้ามีโลกามาตองในแห่งห้องจันดานบ่อสำลานเหมยไร เรือเปียทีน้อยใหญ่มาจนตั้งสองคนพ่อแม่ใจพัดแพ่อาถาวาไขรคือโลกาปัญญาติได้กากาศหายนีหมอได้ดีอูข่ารีบฟังเป้าไปหาขอคุณน้ามาพอลูก ลูกตาหล่อยายมหาเงินคำบ่อใดไข่เป็ดไก่งวัวควายหาอย่างไข่บ่อใดหับขำใจกะตำการย้อนใจบ้านจองหอยไขรเหือลูกน้อยไม้แคว้นกันเป็นของแตนแหลกใดยามลูกเมื่อยไขเลล้นตั้งสองคนป่อแม่มีใจแผลคุณนา เรียงเอากาญาตัวเก่าแต้นตัวลูกเก่าดีหลียามลูกดูดีจื่นจอยกากาดคอยอนตาลายส่องบุญผายพ่อแม่ยอมใจแพ่ชจมบ้านหายมงพะมองผ่านอูร้อนดังได้กอนคำขายามลูกที่คาขึ้นใหญ่ ตั้งตัวใดสวัส ด, ดีพ่อแม่มีใจปีติใจจืนปีติตื่นเหลือลายบอกึดหมายใครใดเอาของลูกใจและกินบออาจิ้นคอยลูกตั้งตนตนถูกตามกองบอรทริปองอยาหายต่อลูกเอ้ยไอคนใดยอมมีใจแพ่กว้าง ดังตาตั้งคง้าพระพุทธาเป็นเจ้าจญิงบอกเล่าเป็นหมายเื้อหญิงใจน้อยใหญ่ผู้แจ้งไขตามดำสององค์คำป่อแม่เมีคกุณแกบุตตาอุปปามาเปียบว้ดังเตา้าไทยมหาภมคุณอุดมมากวางัง บ่เว้นทางผมมาวิหารผมเชียงขานบุญใหญ่เมตตาไฟยิงใจคุณนาภายติดต่อเลงตาพอลงมาใขือคนหน้านาหลายหลากได้พ่นจากเครื่องขีมุติตามีต่อทอย ยามคนใหญ่น้อยใจนิงสมคานิ่งใจใฝ่พ้นโศกไปเครื่องกาอุเปขคาเป็นยอดผงใจตอดตามธรรมว่าคนน่านำโลกไต่ทุกโศกไปเครื่องขี่ยนวิบากมีจัดแล้วบอกการแก้วตัวมาบ่หลาละพรา นิวิบาคาลนผมอยู่บนจันทวาเลงพอนาจักกวานแผลพมาวิหารตั้งสี่บ่อเว่นตีแดนใด สองสายใจพ่อแม่ก็อผายแพ่ผมมาวิหารมีใจปานจองหอยยัางลูกใหญ่น้อยจุคนคนพาตดสาตนผลตนผ่านแผวจิงไข่ข้าอูปแก้วเตสาดาวาใได้แกหาน้อยใหญ่มีผมอยู่ควาดีลีทังเทวดาลีวิเศษ อยู่จูเขตเพื่อนตนกันว่าคนผู้อยู่ใดเกิดหูหันคุณบอดทาลุ้นหึกหยาบน้อมไว้ขับบังคมยังพยาพมกุณใหญ่อันอยู่ไปแกหาตั้งเตวดาวิเศษ ท่านอยู่เขตไปไหนอยู่บ้นไปจะใจเตรียมยอมใดสวัสดีบอเครื่องเขียไม่บาดกากร่อยกาดอนตะลายจั๊กหวัดพายเที่ยวตองไปสู่ห้องเมืองใดบอมีไัยมาตองในแห่งห้องสันดานอยู่เจอย้านคําเจ้าบุญบางเต้าตีขา ส่วนคนป่าลากาหยาปอน้อมคาพระยาผมตั้งเทวดาอุดมวิเศษอันอยู่เขตเงือนตนย่อมท่าล้นไม่เดือดบ่หูเหือดไม้หายจักกาขายเนื้อไตกะทําไร่สวนนาย่อมหูกาค้อยกา มีอุบาทหานีจักเครื <bo> ่องขีละหมอกหิขึ้นศอกลงวายอนลาซาปาบาทบ่ออาภิวาทปูจายังเตวาดดาคุณใหญ่มีกึดบ่อกึดไว่พาล้มยังพายาผมวิเศษอันอยู่เขตเงินตนพาตศพลยอดอย ได้ไข่บาตรอยอุปมาวาเทวดาอยู่เฝ่ากับตั้งเจ้าผญาพมคือตองอุดมพ่อแม่อันอยู่แก่เกหากับพุตธาใหญ่น้อยอยู่ตามถอยฟังกรมนบแหงย้ำพ่อแม่มีใจแพ่ยินดีของได้มียกยืน ดวยใจเจิญจอมบ้านบอมีหานสัวกาพ่อทำกาและตีปฏิบัติตีติดต่อบอกแม่และพ่อเครืองกากันสองขากล้าพลาตายลาจากเมืองคนสร้างกุศลญาตินำอุติสะพำจอมหากันบุตรตาหน่อยใหญ่ปฏิบัติได้ตามธรรม จือว่าแย่งยำกมเกาไหวเทวดาเป้าเฮือนตนตุกท่าล้นใบหมาดยอมใกล้ก้อยกาดหายหนีจากซาวดีจืนจ่อย ไปหอยข้หนึ่งได้ส่วนลูกคนได้นั้นโสดใจลยโหดอาตัมบ่ตามกรรม่อแม่บ่เพื่อแผ่แต้นคุณใจตาลุนหึกหยาผมข้านาบเคขาฮือบานดาฮ้อนใบฮือ่อไทยกี่มองเอาเข้าของปอแม่บ่เว้นแว่อันใด พลักจกไปใจใจาตามมากไปใจตนยามสองคนพ่อแม่บ่ออยู่แก่เคหากคือมอลา้ากลาปลาตายลาจากเตียไก่บอ่อใส่ใจคืดหลอดบ่อสร้างหยอดนาบุญส่งไฟนุ่นเติมกำ คือหลวงลำอนตาลาลลูกยิงใจดังนี้พระกาวจี้จะใครว่าลูกจันไลบาปไปม่อนอมไวเทวดาตั้งพายา่ผมอันอยู่เผาเฮือนตนจักหนาลนไม่บาดบ่ขาดคืนวัน กัรดับขันกล้าปากตายลาจากเมืองคนยอมเอาตนไปเกิดในกำเนิดอาไบบ่อยาเจาเลนาภูปาจาลิญาติบุจาเลแถมประการหนึ่งใจพะตีไวสัพพัญญุตนเป็นกูแกโลก นับตุกโศกมานไพได้เตะตาดาไข่เก่าคี้คือเสียงตีสังกาว่าปิตามานนานั่นเล่าเป็นครูเก่าเดิมอ่อนได้จะสอนบอกลูกคือผิดถูกนานายามบุตรตาอ่อนน้อยสอนเก่าถอยกํามคนสอนเตวต้นอย่างใหญ สอนเตียวหนอย่างง่ายงำลูกเอ้ยไยใส่ใจจําเลื่ไนใบขึ้นใหญ่ฮือหูไฟวงจ้า ว่าคนนี้น่าเป็นป้าเป็นปู่ย่าตายายคนนั้นเป็นชายปีน้องติดเกี่ยวของเอาลุงเฮือตีสูงและต่ำไข่เทียงซ้ำบงชา สอนหื้อจากกาวทอยด้วยคำอ่อนอ้อยบอนย่นไยบอกหื้อไขรคำหยาบจุหลายบาปอาธรรมหูแยงยำอ่อนก้อมหูนอบ้อมอันชูรี ของใดดีกินใดของใดกวนใจสันใดหนตั้งไปเตือนตง อ, นองตั้งบวกลองดทีอุนตาลายมีลี่ตนอยู่ที่บอลแดนใดพ่อแม่ไข่เกาอูฮื้อลูกผูจูปักการย้อนใจพานจองหอย ไค้เห th ่อลูกน้อยทัทวาวัดดีขรามูนีเป็นเจ้าจริงกดเงินเก่าเทตนาวาปุพพะจักริยติมุจจาเรว่าปิตามานานันเล่าเป็นครูเก่าเดิมมาควนมุตตาน้อยใหญ่นบน่อมไว้แงงยำบุญจักนำสงอย คือในโยธาวัดดีและนาแทมแพระการหนึ่งใจพระพุทธเจ้ายอดตัปปัญญูตนเป็นครูเลิดแล้วใครข้าุแก้วเทตานาวาอาหุในยา เจ้าปุทตานังดังนี้เป็น ต, น ต, อตอนติดสืบตนตัยไปว่าสองสายใจพ่อแม่คุณมาแท้เหลือหลายควรยิ่งใจลูกเตานบน่อมเก่าผู้จาด้วยวัฒถาแผ่นภลาตั้งเครื่องงาอลังการตั้งโูจชนะอาหารเก้านำวัตถุพมตามี แห่งใจดีจมจืน่นนำมายืนยอปัน่นเป็นนิรันจใจหรือตามหาได้มีมาแม่นอนาณาตากันอยากทุกลำบากเรื่อกี่ เงเดือนจีปีใหม่น้าดอกไม้บุปผามาสมมากรมเก่ายังป่อแม่เจ้าตั้งสองย่อมเป็นกองผาเสดบุญแก้วเกิดกับตนเลยนะ เอมปาการดึงสาาโสดพระเจ้าโพธิสัตวาวาประชาญาอนุกรรมปก า, าว่าตั้งสองข้าพ่อแม่เลี้ยงลูกแต่เดิมมาถึงอน า, าคากันอยากทุกลำบากเครื่องขีดแปลงใจดีตั้งต่ออดสร้างก่อกะะทําการ ยอมใจป้านอ่วงหอยรักลูกน้อยหอมแป้งอิดเหี่ยวแล้งเมื่อไครยังบ่ได้จำไปตั้งปีไก่แลไก่เปื่อเจาะใจัะแวงหายังโพชานะเขานำลูกไม่พัมเงินคำเปื่อจักนำมาตอนเลี้ยงลูกน้อยอ่อนยิงใจยามมีลายเหลือแล สองพ่อแม่ซุ้มกันยืนปอนปันลูกเตา่ายามอยากเขาแลงง่ายของมีหลายมีน้อยพ่อแม่คอยบรรเทาอดใจเอาเมียดไปบอเอาใจและกิน่นย้อนอาจินไปหอยไหว้อฮลูกน้อยยิงใจ พ่อแม่หมายคําเจ้าใครเอื้อลูกเต้าสายใจย้ําจําเลืนไว้ขึ้นใหญ่ได้หูไกวสัปาสิปามีพระยาอง์อาจจบจะลาติพปากุลหูจากบุญและบาปบอกาหยาปาลากันบุตรใหใหญ่กา บ่หยาบจาอาธรรมอยู่ตามกำป่อแม่กำเท่าแก่ตายายมันคงควายสอดหายังยอดสัปพาติ ป, ปามันอุศาโบ ร, ราเวนเสียจากตางเปี้ยนใสใจเฮียน ใส่ใจเฮียนเที่ยงขอดจบยังยน่อติปปาคุณบ่อทาลุนถอยไล่ตั้งตัวใด้สวัสดีหรือบ่มีความหูได้ตั้งอยู่ตามกองมันติปองก่สร้างบ่เว้นห่างตั้งเพี้ยนบ่ได้เฮียนจบจอด บ่บอต่อตั้งการบอเอ็นญานกี่ข้นบอสาต้านการใดตั้งตีไก่ละไกลสร้างตั้งให้สวนหน้าตั้งสองขาพ่อแม่ยอมใจแพลเจยบ้านบอบมองผ่านโศกเศร้ายอดบานลูกเตาในตน บ่เป็นคนจนต่ำเจ้าไผยบ่หวานินทากันบุตตาขึ้นใหญ่บ่ตัยไต่ตั้งดีไข่วาตีสอนบอกกอเว้นออกเสียกรรมบ่แยงย้ำบ่ แ, ำบแม่ตั้งเฒ่าแก่อาจารย์เป็นคนผ่านคนเดือนกบแต่เปื่อนป้าวาย บ่อคงขวายตอตอดเหียนเอาหยอดซาปาทิปปาการนาน้าน้อยใหญ่บ่ใส่ใจโทรบ่ใจใส่โทรทำใจมัวดํากรรมเจ้าพอเกิดเหล่ายาวไปต้องใส่ใจพ่อแม่ทุกใจแท้ดํานาดังเอาพากรใหญ่เต็งใส่ไว้คืนวันอ๊ เป็นควันไม่เดือดบ่กคู้เหือดบางเบาและนเจะปานาแทมปาการหนึ่งเล่าคระเป็นเจ้าสัพพัญญูตนเป็นคู่แก่โลกดับทุกโศกเกืองกาได้เทสนาะบาททอย เพื่อใจหนุ่มน้อยเจือสิงการะกุ่มมานเป็นอุเทาวานบทบาทคือขึดขวาดพิจิาละนาวาปัญจหิโคกางหะพาธิปุตตาถาเนงนังนี้เป็นตน ว่าดุราจใจรำหนุ่มเนาพอแม่เจ้าส่องขามีเมตตาไปห้อยเรียงลูกน้อยยิ่งใจหาประกานไม่เบียดไว้เอลูกได้สวัสดีเอลูกนี้หลีกเว้นลบจากเส้นตั้งตำอักุสุนนำหึกหยาบจักเป็นบาปตอจน กําทธารุน้อยใหญ่คือได้หูไป ข, ขีญยากําปาลาหาดเทาวาพิษอาจยาเต้ากองเมืองจักปาเคืองต่ำก้อยทุกจ่องห้อยมองขีกําบอดีมวนหมูจักปาสู่อบายส่งบุญพายป่อแม่เมตตาแผ่ไข่พันเงือกจอมควันจูโู ใน้พ่มูจูคนคนย้อนกลัวลูกตนย้อนกัวตนลูกปลาตกตาำเจ้าสามานแถมประการหนึ่งใสสอนหือใ้ไตต่างดี้ฮือลูกนี้ตั้งบาปหลีบปาปตั้งบุญจักหูคุณพ่อแม่คุณเท่าแก่ตา ย, าย โจักวาทวาวยกาไปยังแก้วแก่นไทยตามประการคือหูคือฐานเขานำคักสาติินพัมภาว น, นาวนะอันจากปาหือใดป้อนฮนห้อนใบเครื่องขี่กองวัดดีหลายหลากกิจจะมากน่านำบอพิธรรมพระเจ้าสอนหือหลูกเ้าญิงใจ ได้ของควายซอสอดหลีบเอาหยอดเหียนเอาหยอดจิบปากุลอันจักนุนจองอยูคือได้อยู่ตาบดีวิชามีหลายหลากตามลูกหากระสงอาจินจงไครหูป่อแม่จื่อสูนดีของได ของได้มีบ่อไว้ตั้งเงินบาทไตคำขาเงินคำหาบ่อใดขายหน้าให้งัวควายเพื่อหื้อสายลูกเต่าได้เลียนเหล่าอย่างติบปาคุนบางไฟลุ้นเมื่อซอย อลูกใหญ่น้อยเจรบ้านถึงทุกข์ผ่านกันยากขออดลำบากโตรั้หาเงินคำบาไตกะตําไห่ตัว น, นาขามาาหับจ้างตามตันอ้างวางปั่นเป็นดีลั่นจใจเปลือลูกใดไ ป, ไปเฮียนกันลูกมีเพียนบ่พน อยู่ตามบนกองทัมเชื่อฟังคำก่าวจีบอลีกลีลานีเราเรียนดีจบจอดสุดเสียงหยอดสับปาติ่ปาตั้งสองขาพ่อแม่หน่อมมีปีติแพ่เจยบ้านลืมมองผ่านกันอยากลืมลำบากถ้าล้นตัวลูกบางคนนั่นเราใจกำเศ้าปาลา บ่อปิจารณาแช้งทีเงินทีตามทำว่าจุ่มเงินคำเฟืองบาทเหื่อป่อแม่หยาิใข่ไหลป่อแม่เข็นใจทุกยากอดลำบากกะตำการได้เงินคำคานบาทไต ให้หลอมไปฝันไปลูกจังไลยบาปเจ้าบอกคืดเหล่าหันคุณเอาเงินลุนจกจ่ายไปตั้งให้ชิบหายเลี่ยงเปื่นลหลคำเจ้าตั้งผินเหล่ายาเมาแต่งตัวเล่าสากงาด้วยแผ่นผ้าผืนแป้งบ่หูแงตัวเก่าว่ามีโขดเงาสันใด ลูกทังไรดังนี้พระกล่าวชี้ไขรปันว่ากันดับขันกลาฬาปากตายละจากเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดในกำเนิดอาบายและนาทาหยัดชังนิญญ า, าเทนที่แถมประการหนึ่งใจ กันลูกใหญ่เติ่งตันสองจอมขวัญพ่อแม่ย่อมตกแพ่วางตํายังขึ้นคําเงินคําบาทไทยตั้งน่าไรกัวควายแบ่งเป็นแบ่งปันสายลูกเก่าได้เป็นเจ้าตํามมีบ่อเอานี้ลี่สอนไปไว้บ่นแดนใดขอทัดไปนั่นเล่า พ่อแม่เจ้าสองขากันพุทธาขึ้นใหญ่ตั้งตัวได้ตามหลายย่อมคงควายพ่อคอยอื้อมีกูหอยแปงปันทกบแต่งปันยกยืนด้วยใจเือนจมบ้านพระชินนาบานตีไว้เทศะนาไว้เป็นไม้ว่าคุณพ่อแม่ล้ายนักแก่นับบ่อแป้ตีเลี ปัตถาวีบนากวางสุนทรตาตังสะกอนตั้งสิงคอนเมรุราชตั้งอากาศเวหาสั่งรว ม, ม้าเมียนจอดบอ่อเต่ายอดปิตากับมารดาแม่เจ้าบอ่อเต่ายอดคุณปิตากับมารดาแม่เจ้าอันมีแก่โลกเตาหญิงใจพระ บ, บุญภายตีไว เทศานาไว้เป็นทาวากันพุทธาธิดาน้อยญ่บอ่บอดไปทาลุนจักแทนคุณป่อแม่เอื่อแม่แท้ตามธรรมควรกระทำอย่าจ้าตามกองวัดหาประการพระโตเนสังพริฤทธ พาฤตามิคือมีใจบ้านเพื่อแผ่เลี้ยงพ่อแม่ตองค้าด้วยพอจานาเขานำบัตรทุพรมตมิบอลบหนีลีนาบอแจงตาได้ใจคือข้านิ่งไหนจะใจ ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกได้หลายคนส่วนว่าตนลูกเต้าบีมาเต้ายิงใจก็คงควายคำเจ้าเลี้ยงพ่อแม่เจ้าเต้นกุนยอมเป็นบุญไปนาบอถอยจ้าทตาลนเป็นมงคลผาเสด คือบังเกตาวัดีปะมุนีติวัยเตตะนาวัยเดมาวามาตาปิตุอุปทานังเอตามังคะละปุตตามัง การเข้าไกล้อาสาเลี้ยงลุมลาพ่อแม่เป็นมงคลแทดล้ดีหรืาสวัสดีมิจบหายทุกส่ภัยมาและนาคิจจังเนสังคาริษามิคิจจะมีน้อยใหญ่เกิดจองห้อยตวยวมา แกส่องขาพ่อแม่เพื่อลูกจวยแกโทตั้มการตัการตัวตั้มเมียดไวเอาใจใส่พิจารณนาอย่างการส่องขาพ่อแม่บ่เวนแวนีไกจักเป็นปัจจัยส่งยูเพื่อได้อยู่สวัติีและนา กูลาวังจังทะเป็ดสามีือลูกเตาหญิงใจได้คงควายไปเอือ้อหักษาเชือ้อคะกุนป่อแม่ใจป่อแม่ใจบุญแต่เก่าือลูกเตาตัตวลอยคะกุนจักถอยตกต่ำือลูกจุยกำนำไปอย่าเอขนได้ต่างคายได้เก่าให้นินทา ชาดยังปฏิปัชามีสมบัติของพ่อแม่อันมีแต่เดิมมาเฮฮักสามเมียไว้อย่าใจใช้และขายห้างล้างพ่องตายภาหนาล้างพ่องพ่อแม่ตายภาหนาบอนล่ำกว่าเจ็ดวันลูกปากันลูบไล่าขายแบ่งย่ายขั้วหนีของได้มีบ่อไว ขายแบ่งไคว่บาดเดียวบ่อกึดแล้วแจ้งกีเหือแม่นตีตามทำว่าจักเป็นกรรมฮึกหยาบต้วข้านาไปรุนแหละนาฮตาวาปาดาเปตานังกาลากะตานังทักกีนังอุปาเทตสามิยอมยามป่อแม่ตายภาครั้ง บ่ละห่างต่างบุญตานไปหนุนผายแผ่ไปถึงพ่อแม่สองขาตามกาละเวลามาหลอดหนิ่งสอดหันกุนตานไปหนุนบ่าขาดบ่ประมาดละสายอมเป็นบุญนาคืนครอ ซาหนองตอบต่อจนเฮื อ, อยังตนลูกเต้า อ, อยู่เตียงเต้าตีขาและดาลูกคนไหนนั่นโจดบอดได้โหดทาลุนตอบแทนคุณพ่อแม่เฮือแม่นแต่ตามธรรมยอมเป็นบุญ น, นำมากวางบ่อาจอ้างดลี ทดสวัสดีเจินจ้อยกากาดก้ออนตาลายสุมกะนิ่งหมายไฟอ้างบ่อวิตว่างไก่ก า, ก, ากันมมลาดากระภากตายละจากเมืองคนยอมเอาตนไปเกิดในที่าาาา่าเสดเจียงคานบ่ยากจะและนา เนติตังขีญาสังวันอาดาวิเศจจาหงเหตุมาตาปิตุคุณกอบังคมสมเลจเสร็จแล้วเต่านี้นก่อนแล้วครับขอกราบอนุโมทนาซึง่อแม่ปี่น้องตีขรมรักทุกท่านตีแบนในมานั่งฟังพระธรรมเตชนาในบทนี้ เพื่อปูจาคุณมาตาปิตุกคนป่อซึ่งเป็นผู้ที่มีบุญคุณในเรื่องใหญ่เฮามาลูกคนใดตีบุละยังการที่เขาจะตอบแทนบุญคุณเรี่ยงรู้ป่อแม่โดยทรัพย์สิ่งของเงินทองหรือด้วยจิตใจอันใดก็แล้วแต่มีสัมมาคารวะต่อพป่อแม่นั่นคือใื้ป่อแม่ได้ดีใจยอมเป็นมหาคุศ น, นั้นยิ่งใหญ่เขาได้รับความขอบคุณจากพระพ